เราเป็นห่วงพระเนนที่มาอยู่อาศัยกับเรานี่ยินกว่าเราห่วงเราเนี่ยเรายังไม่เห็นห่วงอะไรห่วงอะไรทั้งนั้นแต่เกี่ยวกับพระเนนที่มาอาศัยอยู่กับเราแล้วเราห่วงเราห่วงมากเราไม่เคยตายใจกับเพื่อนฝูงที่มาอยู่ด้วยเพราะเรารับเรารับแล้วคือเหตุผลที่ ควรรับเมื่อรับแล้วก็ต้องทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เต็มกําลังความสามารถส่วนจะขมูลตามหลักธรรมหลักวินัยนั้นเราก็ไม่กล้าอ้างอิงเพราะเป็นความละเอียดของหลักธรรมหลักวินัยอาจจะไม่รู้ทั่วถึงก็ได้แต่เนื่องความรู้ความสามารถทั้งเรามีเท่าไหร่เราทุ่มเทรวมเพื่อหมู่เพื่อเพื่อคณะตลอดมาตั้งแต่วันเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อน คือในขั้นเริ่มแรกจนมาทั้งบัดนี้เป็นเวลาทั้ง 20 กว่าปีปกติเราจะก่อนไม่ก็สนใจสอนใครน้องๆทุกสอนเจ้าของเองแล้วไม่นึกด้วยว่ามันหมู่เพื่อนตลอดถึงประชาชนมาเกี่ยวข้องกับเราถึงขณะที่เป็นอยู่เวลานี้เมื่อความจําเป็นมาเกี่ยวข้องจิตที่คิดหรือเป็นความรู้สึกมานั่งเดิมของเราที่เรียกว่านิสัยก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตาม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 ที่ต้องอบรมฟังสอนเราก็เป็นห่วงตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสก็ต้องมาอบรมเสมอฉะนั้นขอให้ทุกท่านยินมาอยู่ในสถานที่นี้เพื่อการศึกษาอบรมจงรักษาเจตนาดั้งเดิมให้เป๋นไว้ให้สมบูรณ์อย่าให้บกพ่องถ้าเจตนานี้บกพ่อง ความประพฤติการปฏิบัติตัวถ้าอ่อนแอลงไปกลายเป็นความท้อถอยความรู้สึกทุจไปในแง่เป็นอกุศลและไม่เป็นมงคลแก่ตนและหมู่เพื่อนตลอดคือบรรดาอาจารย์ที่อยู่ร่วมกันการปฏิบัติตามหลักศาสนานั้นไม่เหมือนกับการปฏิบัติต่อโลกซึ่งไม่ค่อยจะมีข้อเขตผลอะไรมากนักก็อยู่กันได้แต่สําหรับ เรื่องของคราแล้วต้องมีเวทมีผลมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องประกันในการอยู่ร่วมกันว่าไม่มีอันใดที่เป็นการขัดแย้งกันโดยทิฏฐิมานะโดยหลักธรรมหลักวินัยพร้อมพร้องป้องกันอยู่เสมอเพื่อความประพฤติปฏิบัติตลอดความรู้ความเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรักและรักใคร่และหวงไม่ห่าง จึงถึงกับให้เกิดความทะเลวิวาทขึ้นมาเพราะทิฏฐิมานะมันเป็นกรรมสังสมกิเลสติฏฐิกิเลสขึ้นมาอย่างไม่น่าอายนั้นขออย่าให้เกิดขึ้นในวัดนี้เป็นอันขาดเพราะนั้นเป็นเรื่องของการคุยเถียงการขุดค้นกิเลสทุกประเภทต่างๆขึ้นมาเพื่อขายตัวเอง เนี่ยทำหมู่เพื่อนให้เดือดร้อนเพื่อนเพื่อนเปรอะไปหมดไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเราจะควรคิดเลยอย่าว่าแต่แสดงออกมาเพราะพระเรามีหน้าที่ชําระกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เกิดขึ้นภายในใจยังต้องพยายามระงับและกําจัดมันไปไหนจะปล่อยให้มันออกระบายออกมาลึทุ่งออกมาทางกายทางวาจา <c oughs> อย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะเป็นการขายตัวมากมายสําหรับพระเราอย่าพูดถึงเรื่องวงปฏิบัติเลยคําว่าพระแล้วเป็นส่วนเสมอภาคไปลูกจิตตสาฆรสด้วยกันทั้งนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับคําว่าพระบ้านพระป่าอันนี้แก้ออกไปเฉยๆเรื่องหลักธรรมหลักวินัยไม่มีอันใดมีน้ําหนักต่างกันมีน้ําหนักเท่ากันในความเป็นพระ ด้วยเหตุนี้ทุกๆท่านที่มาอบรมศึกษาจงตั้งจิตตั้งใจให้ดีให้มีความขยันหมั่นเพียรฝึกจิตฝึกใจให้ความรู้สึกที่เคยเป็นมาในฆราวาสอันดั้งเดิมมันเสียโดยลําดับเพื่อให้เข้ากลมกลืนกับหลักธรรมหลักวินัยหลักความประพฤติอันเป็นเรื่องของพระโดยตรงเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนอีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องพินิจพิจารณาสังเกตสอดรู้ให้รอบคอบ <coughs>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 รายใดก็ตามที่แสดงความไม่เหมาะสมขึ้นมาโดยทางกิริยามารยาทจะเป็นทางกายทางวาจาก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างนี้จะเผาะเป็นเหตุที่จะให้กระทบกระเทือนถึงหมู่ถึงคณะที่อยู่ด้วยกันด้วยความล่มเยินเป็นถึงให้ได้รับความเดือดร้อนบุ่นบาปหรืออย่างน้อยเป็นอารมณ์ของกันต่อกันไม่ดีเลยการประพฤติปฏิบัติ พระพุทธศาสนาต้องมีความเข้มแข็งเปลี่ยนความรู้ความหงุดที่เคยเป็นมาซึ่งฝังใจอย่างลึกซึ้งนั้นถอนตัวออกมาโดยลําดับมุ่นจิตใจเข้าไปสู่หลักธรรมหลักวินัยพึงเป็นเพ่งใสกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในขณะที่บวชลืมนอกจากขณะนั้นแล้วหากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเพศเรื่องอะไรไปก็ตามความรู้สึกซึ้งในธรรมะหรือความนอกน้อมความเคารพ ดวงอาภัพดีต่อหลักพุทธศาสนาขออย่าให้บกพร่องเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่อยู่ด้วยกันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่จะต้องห่วงล่นระวังทุกคนการประพฤติปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งทราบว่าเวลานี้เราบวชเป็นพระแล้วกิริยาอาการใดๆที่เราจะแสดงออกให้เหมาะสมกับความเป็นพระเราจะต้องพินิจพิจารณาเป็นพิเศษแล้วแสดงออกให้เหมาะสมกับความเป็นพระของเรา อย่าได้แสดงออกมาแบบกลุ่ม 4.5 ดังโลกที่เขาไม่มีไม่มีข้อเขตเหตุผลหรือเหตุแดนใดๆที่ประพฤติมานั้นน่ะถ้าขัดกับหลักศาสนาขัดกับหมู่ผเพื่อนที่อยู่ร่วมกันจะกลายเป็นเรื่องความมัวหมองหรือวุ่นวายขึ้นเช่นเดียวกับน้ําที่ถูกกวนจะมีเป็นตมเป็นโคลนขึ้นมาถ้าอาบจะช้าจะสอจะดื่มอะไรไม่ดีทั้งนั้นเพราะน้ําขุ่นมีการทํา กันและกันให้มีความกระทบกับเพื่อนก็เป็นเหมือนกับว่ากวนน้ําที่สงบคือควรทําที่สงบแห่งใจของแต่ละท่านให้มีความขุ่นมัวหรือเป็นอารมณ์ขึ้นมาซึ่งเป็นการรบกวนจิตใจให้เกิดความขุ่นมัวแล้วเดือดร้อนขึ้นมาอย่างนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งสําหรับพระเราตื่นให้ตื่นแต่เช้าให้ตื่นตัวอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อรู้สึกตัวแล้วให้ตื่นอย่านอน แบบคิดไปคิดมาเหมือนกับหมูที่คอยจะขึ้นบนเียงนั้นไม่ใช่เรื่องของพระเรื่องของพระต้องเป็นผู้มีสติสังสางระมัดระวังตนอยู่เสมอเช่นเดียวกับเนื้อเนื้อที่ระวังภัยที่จะมาจากเหตุการณ์ต่างๆฉะนั้นจึงเป็นความถูกต้องแม้เช่นนั้นแม้เช่นนั้นเนื้อเนื้อก็ยังตายจากอันเพราะอันตรายได้ทั้งทั้งที่ระมัดระวังมีธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนคิดปุเป็นต้น ยิ่งมีความละเอียดละออมากยิ่งกว่าแม่นมือระวังภัยทั้งหลายจงเป็นผู้ระมัดระวังให้ดีหน้าที่การงานอันใดที่เป็นเรื่องของข้าอย่าได้อ่อนแอให้มีความเข้มแข็งตามีให้ดูหูมีให้ฟังใจมีให้คิดหมู่ร่วมทําหน้าที่การงานอันใดให้สังเกตสอดดูเพื่อการประพฤติปฏิบัติตามท่านเพราะเรามาอุปคมทุก 3 บางที่ยังไม่เข้าใจ ตลอดทั่วถึงในข้อวัดปฏิบัติเป็นส่วนภายนอกก็ให้มีความสมบูรณ์เข้าไปในระดับแล้วข้อภายในคือการอบรมจิตกะภาวนาก็ให้พึงฝึกปฏิบัติอย่าได้ละมีความเข้มแข็งการภาวนาจะภาวนาบทใดเช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรืออานาปานสติเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่กลมกลืนกับนิสัยของเราให้พึงนำธรรมนั้นเข้ามาบริกรรมภาวนาเช่นกําหนดอานาปานสติ ก็กำหนดจุดที่ลมสัมผัสมากน้อยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสที่ดังจมูกมากกว่าเพื่อนให้พึงกำหนดสติไว้ที่ตรงนั้นแล้วสังเกตสอดรู้ลมเวลาผ่านเข้าไปผ่านออกมาอยู่ที่ปากทางได้จะดังจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไปและตามลมออกมาจะเป็นความกังวลเพิ่มภาระมากสําหรับผู้ซึ่งมีการอบรมจะเป็นการสร้างเสริมความสามารถของตัว ให้พึงมัตตะวางมีสติกำกับอยู่กับบทภาวนานั้นแล้วจิตจะมีความสงบล่มเย็นขึ้นมาเป็นลําดับลําดับเมื่อสติควบคุมงานคือการภาวนาอยู่นั้นจะไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างแท้จริงสอนโลก 3 องค์ 3 อย่างจนกระทั่งทุกวันนี้ธรรมะก็มาจากความจริงของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเคลื่อนคลาดเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอย่างใดทั้งหมด มัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นทุกบททุกบาปทุกแน่ที่มุมทุกมุมสมควรแก่การแก้กิเลสทุกประเภทเค้าเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยไม่ว่าครั้งพุทธกาลในสมัยปัจจุบันนี้กิเลสเป็นประเภทเดียวกันความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะนี้มีอยู่ภายในของของสัตว์โลกตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนกระทั่งถึงครั้งนี้และต่อไปก็มีกิเลสประเภทเดียวกันนี้การแก้กิเลสจึงไม่จําเป็นจะต้องหา ทำบทใดซึ่งเป็นธรรมที่ว่าทันสมัยหรือเยี่ยมยอดนี้ยิ่งไปกว่ามัคคิมาปฏิปทาที่ทรงประทานไว้ได้นี้ธรรมนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้ไขที่ปรากปรางกิเลสทุกประเภทให้หมดสิ้นไปจากจิตใจไม่มีธรรมใดเหนือนี้เลยจึงขอให้อบรมธรรมนี้ให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนมาสั่งขั้นสมบูรณ์เต็มที่คําว่ามรรคนิพพานที่ครั้งพุทธกาลท่านบรรลุท่านบรรลุท่านรู้ท่านพ้นจากทุกข์ ซึ่งเป็นผลนั้นจะปรากฏขึ้นภายในตัวของเราคู่บำเพ็ญหรือดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เหมือนท่านผู้ตกังโดยไม่ต้องสงสัยผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยากให้รู้ให้เห็นเพราะการแสดงธรรมให้หมู่เพื่อนฟังตั้งตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้ไม่เคยสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเลื่อนลอยเลยสั่งสอนด้วยความถึงจิตถึงใจด้วยเจตนาที่มีความเมตตาสงสารอยากจะให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็น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 เริ่มแรกตั้งเริ่มแรกตั้งแต่จิตเข้าเป็นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นก็ได้เล่าให้ฟังจิตเสื่อมลงไปมากน้อยเพียงใดก็ได้เล่าให้ฟังเพื่อเป็นคติทั้งนั้นทั้งปากเจริญและปากคือความเสื่อมความเสื่อมก็เป็นอาจารย์ได้อย่างเป็นอย่างดีผู้ที่ได้ยินได้ฟังจากความเสื่อมของเราที่แสดงให้ฟังแล้วก็ได้ตั้งสติตั้งระมัดระวังอย่าให้จิตทั้งต้นเสื่อมซึ่งเป็นการลำบากมากในการที่จะฟื้นฟูให้มีความเจริญมุ่งยอมขึ้นมาตามเดิม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 ทูลล่าให้ขึ้นมายังถึงขนาดปีกว่ายังไม่สามารถที่จะขึ้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่เคยเป็นมานั้นเลยจึงได้เห็นโทษแห่งความเสื่อมนี้อย่างถึงไกลเหตุใดจึงว่าเห็นโทษอย่างถึงไกลเพราะเราเสียอกเสียใจเพราะความเสื่อมแห่งจิตนี้เสื่อเสียจิตเสียมากจริงๆถ้าว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งมาทําเราให้เสียอกเสียใจขนาดนั้นอย่างเป็นคารวะแล้วฆ่าฆ่าสถในวันหนึ่งนี้โดยไม่รู้สึกตัวเลยได้ว่าว่าได้ฆ่าคนเพราะอํานาจแห่งความ โกรธแค้นนั้นมันมากเกินกว่าที่เราจะลึกบาตรหรือบุญไปได้ขนาดนั้นแหละทีนี้พอจิตได้เจริญขึ้นมาเพราะอุปาต่างๆที่เราทุ่มเทลงมาเพื่อเรานั้นแล้วจึงไม่ยอมให้เสื่อมจนถึงคําว่าอ้าวถ้าว่าจิตของเราจะเสี่ยมไปจะจะเสื่อมลงไปแม้แต่มากน้อยเพียงใดก็ตามขอให้เราตายซะก่อนจิตนี้ถึงจะเสื่อมได้ถ้าเรายังไม่ตายจิตนี้จะเสื่อมไปไม่ได้คําที่พูดอย่างนี้เหมือนกับว่าพูดเป็นการประกันตัว การประกันตัวการรับรองตัวนั้นเพราะอะไรต้องรับรองด้วยการนมัสตวังคือการนมัสตวังนี้ต้องเป็นเครื่องยืนยันอย่างเป็นที่ไม่เพียงแต่ว่าพูดเฉยๆขอนมัสตระวังตัวนี้ระวังมากทีเดียวตั้งแต่ได้ทราบด้วงจิตหรือด้วงจิตช่วงนั้นได้สอนตนให้รู้อย่างถึงใจแล้วการนมัสตระวังก็ละมัสตระวังอย่างถึงใจและเวลาจิตได้เคลื่อนขึ้นมาเต็มภูมิแล้วก็ขยับลงให้เต็มที่อันตรายพ่อตาย อ่าก็ว่ากัดเที่ยวกับฟันหักไปนู่นแหละเพราะความถึงใจเทียบแท้ๆอย่างขนาดนั้นทีเดียวเทียบแท้ให้ตนเองนี่คืออุบายวิธีที่ดําเนินมาก็ได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังหมดโดยไม่ต้องหาอุตริตอะไรมาพูดซึ่งตนไม่เป็นจริงอย่างนั้น นี่พูดอย่างถึงใจที่เราทําอย่างถึงใจเอาเป็นเอาตายเข้าว่ะในขณะที่บําเพ็ญนั้นไม่เคยคิดว่าตนจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนดังที่เป็นมานี้และนี่เลยเออว่าถึงคณะศาสดาจารย์หรือท่านเองเพราะนิสัยของเราเหมือนก็เป็นคนนิสัยว่าสนานน้อยมีความสนใจฝ่ายต่อการประพฤติปฏิบัติหรือฝึกฝนทรมานตนทางเดียวเท่านั้นไม่เคยสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดในขณะที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้เทศน์สอนคน ในขณะเราปฏิบัติซึ่งชุณณมูลวุ่นวายเรียกว่าเข้าสลุปบออยู่ถึง 9 ปีตั้งแต่พรรษา 7 ที่เราออกปฏิบัติทีแรกจนกระทั่งถึงพรรษาที่ 16 พอพรรษาแล้วถึงเดือน 6 แหลม 10 ค่ําโอ้แหลมแหลมดับพูดง่ายๆแหลม 15 ค่ําเอาให้เต็มพุงนี่อย่างจนกระทั่งถึงคืนวันนั้นถึงได้ตัดสินใจกันลงได้ด้วยความประจักษ์ใจหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเรื่องที่เหล่าตัณหาอาสวะทุกประเภท ได้ขาดกระเด็นออกคอยจากใจในวันนั้นได้เปิดเผยโลกทัศน์เห็นอย่างชัดเจนเกิดความตรุษสงเวชน้ำตาร่วงตลอดคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะเหตุไรสลดทั้งเนียดความเป็นมาของตนพรดสงเวชเรื่องความโคตรแก่เจ็บตายเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันวางเพศแห่งกองทุกข์เอาไว้พอเกิดในภพใดชาติใดนี้ตั้งแต่แบกกองทุกข์หามกองทุกข์อยู่ไม่มีเวลาปล่อยวางจนกระทั่งถึงตายไปแล้วแบกอีกตายไปแล้วแบกอีกคำว่าแบกก็คือเข้าสู่ภพใดชาติใดนี้ ก็มีทุกข์มากน้อยทุกข์ต้องเจือปนไปอยู่เสมอนี่ได้เห็นโทษเกิดความสะดุ้งสังเวชแล้วก็มาเห็นคุณค่าแห่งจิตใจซึ่งแต่ก่อนไม่คิดว่าจิตใจจะมีคุณค่าถึงขนาดนั้นเราในตอนสุดท้ายเราก็เห็นว่าอวิชชาเป็นสิ่งที่ประเสริฐไปเสียแล้วเราก็วิชชาอยู่ถึงเวลาแปดเป็นเวลา 8, 8 เดือนเราไม่เคยลืมรักสงวนอวิชชาซึ่งเป็นตัวป่องไส้ตัวสง่าผ่าเผยตรงอากาหัน<น> นักตัวนั้นเสียระปะณมัสพยายามระมัดระวังรักษาวิชชาทั้งทั้งสติปัญญาก็เต็มภูมิแต่ไม่นํามาใช้ในขณะนั้นเมื่อเมื่อเวลาได้ท้ายกันให้อย่างเต็มภูมิของสติของปัญญานั้นแล้วเรื่องอวิชชานั้นมันถึงกระจายลงไปได้เห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในจิตใจนั่นแหละก็เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งนั้นตาร่วมร่วม 2 อย่างร่วมด้วยความกระโดดสังเวชพบชาติแห่งความเป็นมาของตน พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เคยเป็นมาอย่างนี้ท่านพ้นไปแล้วนี่ก็ได้เคยเป็นมาอย่างนี้บัดนี้เป็นคราวนี้เป็นเรื่องปัจจุบันเป็นวาระสุดท้ายได้ทราบชัดเจนประจักษ์ใจเกิดความมาแล้วกันเพราะตัวพยานก็มีอยู่ในจิตนั้นแล้วซึ่งไม่เคยมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะติดแล้วก็มาติดอวิชชาทีแรกก็เทียบกับฆาตอวิชชานั้นเหมือนเสือโคร่งเหมือนยักษ์เหมือนผี แต่เวลาเข้าไปเจออวิชชาแล้วเป็นนางงามจักรวาลโดยไม่รู้สึกตัวเป็นเพชรเป็นทองเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มีค่ามากโดยไม่รู้สึกตัวจึงต้องติดเมื่อแก้สิ่งนี้ได้แล้วอันใดที่เป็นของวิเศษยิ่งกว่านั้นมันก็ก็ปรากฏขึ้นมาเป็นของอัศจรรย์จึงต้องเกิดความสลดสังเวชในทุกทั้งหลายด้วยเกิดความอัศจรรย์แห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นโดยประจักษ์สมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวผลในจิตดวงนั้นด้วย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 ธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่สุวิสัยที่คนจะรู้ได้แล้วเราทําไมถึงรู้ได้เราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันกับมนุษย์ทั่วไปเรารู้ได้เพราะเหตุดักก็ย้อนเข้ามาถึงปฏิปทาถ้าชากันออกไปอ๋อน่ะยอมรับถ้ามีปฏิปทาคือครบก็ปฏิบัติแล้วก็จะต้องรู้อย่างนี้ท่านผู้ใดได้มีครบพัดปฏิบัติให้สมบูรณ์เต็มภูมิดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์เต็มที่แล้วธรรมอันนี้ไม่ต้องบอกรู้เองเห็นเอง เพราะอํานาจแห่งมัคคิมาปฏิปทาเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่รกรุงรังครอบพันธุ์นิวรณ์จิตใจให้แตกขะจากความมึนตุ๊บไปหมดเหลือตั้งแต่ธรรมล้วนๆจิตล้วนๆที่เป็นจิตบริสุทธิ์ถ้านั้นแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นภัยต่อจิตใจแม้สังขารร่างกายจะมีความทุกข์ความลําบากแค่ไหนก็ทักแต่ว่าสังขารร่างกายเท่านั้นไม่สามารถที่จะทับผมจิตใจนั้นให้บอบช้ําให้คุณมัวไปได้เลย เพราะอันนั้นไม่ใช่สมมุติขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นสมมุติล้วนๆหรือเป็นสมมุติทั้งนั้นธรรมชาตินั้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งกฎ 4 ทั้งหลายซึ่งเป็นตัวสมมุติแล้วแล้วจะเกิดความเด็ดล้นได้ยังไงเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องของขันธ์สลายไปตามสภาพของมันที่ประชุมกันเท่านั้นเองจิตดวงนี้เป็นยังไงจะไปเกิดที่ไหนต่อไปนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ซากอย่างชัดเจนจะไปเกิดที่ไหนเมื่อไม่มีเชื่อมไม่มีเงื่อนต่อทั้งเงื่อนต้นเงื่อนกลาย อันอดีตอนาคตแม้แต่ปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ดีไม่ถือสเบธัมมานัตตาธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมั่นก็คือปล่อยเสียทั้งหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าธรรมทั้งปวงนั้นได้แต่สมมุติทั้งหมวดได้รู้ชัดเจนเพราะจักขายเมื่อประจักษ์ใจปล่อยวางหมดแล้วทําอะไรทีนี้ก็วิสุทธิที่ธรรมวิสุทธิที่จิตจะเรียกวิสุทธิที่จิตก็ได้หรือเรียกวิสุทธิที่ธรรมก็ได้จะเรียกนิพพานก็ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไร เมื่อถึงตัวจริงแล้วเรียกท่านเรียกก็มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเรานี้ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังหมดไม่เคยปิดบังเลยล่ะซึ่งไม่ได้เคยถามผู้ใดเลยปรากฏขึ้นกระทิเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติสมกับท่านเอ่อพระธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่าสันทิธิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองปัจจตังเมริตตะโบวินยุผู้ผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จําเพาะตนท่านว่าอย่างนั้น ทำทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะเปิดตู้พระกายติดกในขณะเดียวกันก็อาบการกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกซึ่งเป็นเครื่องปิดบังติดตามที่จิตใจซึ่งเป็นของมีเสียแค่แต่กระจายไปกลายเป็นใจที่เกียดล้วนล้วนขึ้นมาภายในจิตไม่ต้องเหือไปจักนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาเวลาว่าครั้งพุทธกาลท่านสําเร็จมรรคผลนิพพานครั้งนี้ไม่มีทางสําเร็จอย่าไปคิดนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกลวงเรา ถ้าได้หลงกลมยาข้างมันอีกแล้วจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอดีไม่ดีก็ฆ่าจนตายทั้งๆที่มีคุณค่าอยู่นั้นเพราะอํานาจของกิเลสพาให้ฆ่านั่นเองหลงกลมยาณกิเลสเท่านั้นก็จมไปได้คนเราความเข้มแข็งมีมากน้อยเพียงใดพอกิเลสหลอกยับเดียว 2 ยับเท่านั้นก็ล้มนานางั้นขอให้พากันเข้าใจว่าธรรมนั้นไม่อยู่ที่ไหนให้ให้ทราบเรื่องสัจธรรมเป็นหลักประกันของธรรมเหล่านี้ สรรพธรรมคืออะไรบ้างทุกข์ความสบายกายไม่สบายใจมันอยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่กายที่ใจเรานี้ทุกคนสมุทรไทยท่านว่านั่นที่ราคะกามตัณหาเพราะตัณหามีเพราะว่าตัณหานี่คือตัวของกิเลสมันเกิดขึ้นจากใจเพราะที่อยู่ของมันมีอยู่ที่ใจมันก็แสดงตัวออกมาจากสิ่งที่มีให้เรารู้นิโรธคือความดับทุกข์เอาอะไรมาดับมันถึงจะดับได้ถ้าไม่เอามรรคคือศีลสมาธิปัญญาเฉพาะอย่างยิ่ง สมาธิปัญญาศรัทธาพฏิปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเป็นสิ่งสําคัญมากพฏิปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องถอดถอนนิยามคือความภาคเพียรในงานทอดงานถอดห้องต้นให้เร่งอันนี้เค้าให้มากแล้วนิโรธคือความดับทุกข์เมื่อกิเลสดับไปมากน้อยเพียงใดเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไปมากน้อยเพียงนั้นเพราะนิโรธมันเป็นเงาของมรรคถ้ามรรคทํางานมากน้อยเพียงใดนิโรธก็แสดงขึ้น ตามเรื่องของมรรคที่กล่าวตามทีเดชได้มากน้อยถ้าจะทําทั้ง 4 นี้มีอยู่ที่ไหนเวลานี้ในครั้งพุทธกาลท่านบรรลุธรรมท่านบรรลุอะไรถ้าไม่รู้แจ้งในสัจธรรมทั้ง 4 นี้แล้วหาธรรมบรรลุทําไม่ได้เมื่อรู้แจ้งในสัจธรรมทั้ง 4 นี้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละคือเป็นผู้บรรลุธรรมถึงขั้นอันเกศธรรมลานหาที่หาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้เลยอยู่ที่ดวงใจพระพุทธเจ้าทรัสรู้ที่ใจ เพราะทุกข์สมุทัยนิโรธมากอยู่ที่ใจสาวกทั้งหลายตรัสรู้จารย์ที่ใจนั้นเองเพราะใจเป็นผู้หลงใจเป็นผู้รู้เจริญผู้แก้ความหลงหลงของตนเมื่อแก้เต็มที่แล้วความหลงหลงก็หมดไปทุกข์ก็ดับไปความหลงหลงนั่นแหละพาให้เกิดทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปแล้วนิกรรมว่านิโรธก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวเท่านั้นก็ดับไปแล้วอะไรที่ยังเหลืออยู่เวลานั้นผู้ที่รู้ว่าเอ่อทุกข์ดับไปนั่นแหละ คือคู่ปฏิสุทุกข์นี้ไม่ดับนี้แหละเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ถ้าจะทําทั้ง 4 เป็นเพียงกิริยาอาการดําเนินในขณะที่ยังไม่หลุดพ้นจากทุกข์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอรหัตตอรหัตตมรรคอรหัตตผลจึงเป็นธรรมที่เอ่อทาบเคลียวกันอยู่ยังไม่รวมยังไม่ยังไม่ละกิริยาระหว่างมรรคผลวิ่งถึงกันในในขณะช่วยจริยมรรคกิจตามปริยัติท่านว่าไว้ช่วยวิมรรคกิจคือลัดมือเดียวขณะเดียวเท่านั้น นั่นน่ะในขณะนั้นท่านเรียกว่ามรรคผลบรรลุถึงกันพอมรรคผลบรรลุถึงขั้นทำหน้าที่ต่อขั้นเสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วนั่นเรียกว่านิพพานน่ะในขณะเดียวกันเรียกว่านั้นเนี่ยถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วแล้วคําว่าแดนแห่งความบริสุทธิ์นี้จะหมายถึงอะไรถ้าไม่ใช่หมายถึงใจผู้ที่ติดอยู่ในกองทุกข์ให้พ้นจากแดนแห่งความทุกข์ไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นเป็นที่ยึดเป็นที่ถือไม่มีอย่างอื่นเป็นที่แน่ใจตาใจได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้ดําเนินจิตใจ ท้องตนอยากได้รถละพ้อถอยตายก็ตายเถอะพุทธังธัมมังสะนังขะถามิตายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าการเอ่อเพื่อกิเลสบูชากิเลสเป็นไหนๆเราเคยเชื่อเราเคยยอมจำนนต่อกิเลสคล้อยตามกิเลสเคลมจับตามกิเลสมาหลายภพหลายชาติจนนับไม่ได้แล้วให้กิเลสครอบคลุมหัวใจแล้วก็ขนเอาทุกข์มาทับผมโจมตีเราจนขนาดที่ว่าไม่รู้จักเป็นจักต่าง <C ut ters> หากําหนดที่หมายไม่ได้ว่าเมื่อใดทุกข์เพชรหลุดรอดออกไปจากใจถ้าไม่แก้ตัวสมุทัยให้หลุดรอดลงไปแล้วไม่มีทางที่ทุกข์จะหลุดรอดออกไปได้การแก้สมุทัยก็คือความเพียรมีสติปัญญาเป็นสําคัญมาพยายามภาวเพียรอย่าลดละพอยหลังนี่แหละเป็นสิ่งที่จะตัดสินได้ตัดสินที่ตรงนี้ไม่มีการโน้นสถานที่นั่นใดๆที่จะมีอํานาจยิ่งกว่า ปททาวิริยปฏิสมาธิปัญญาหรือยิ่งกว่าสัจธรรมทั้งสิ่งนี้ไปได้เลยตรงนี้เป็นสําคัญเอาตรงนี้กิเลสอยู่ที่ตรงนี้สมุทัยคือกิเลสแท้อยู่ที่หัวใจมรรคคือการปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสด้วยอุบายวิธีใดอย่านอนใจถึงเวลาคิดคิดอันไรต้องให้เข้าใจในเรื่องฐานเรื่องขันธ์เรื่องกิเลสอัธวะแสดงตัวขึ้นมามากน้อยอย่าไปหงุดหวงอย่าไปเสียดายโลก ที่เราเคยคิดเคยตกตุมมาแล้วได้ประโยชน์อะไรนอกจากเป็นเรื่องของสมุนไทแล้วกว้านเอาความทุกข์เข้ามาเผารวนให้เข้าใจเราทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นขึ้นชื่อว่าสมุนไทแล้วเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นมานานเดิกเราอย่าได้หลงสติเราฝึกให้มีสติมีได้ปัญญาพยายามขุดค้นคิดอ่านไตร่ตรองในแง่ต่างๆทั้งภายนอกภายภายในถ้าคิดถ้าอ่านบังคับคิดอ่านเสียก่อนในเบื้องต้น เพราะปัญญายังไม่รู้หน้าที่การงานของตนเองเช่นเดียวกับเด็กยังไม่รู้หน้าที่การงานผู้ใหญ่ต้องบังคับบัญชาให้เด็กทํางานจนกว่าว่าเด็กนั้นเติบโตรู้เรื่องรู้ราวรู้รู้ผลของงานรู้จักวิธีทํางานแล้วก็ทํางานไปเองโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเหมือนอย่างผู้ใหญ่ทั้งหลายซึ่งรู้เหตุรู้ผลเรียบร้อยแล้วหน้าที่การงานไม่ต้องบอกทําไปเองนี่สติปัญญาเบื้องต้นก็ต้องได้บังคับบัญชาล้มลูกคุกคามบ้างก็ยอมรับกันไปก่อนเพราะยังไม่ทํานี้ทํานานต่อเมื่อสติปัญญาได้ดําเนิน แล้วเห็นผลแห่งความสงบเย็นใจหรือความความคล่องแคล่วหรือความสว่างสบายภายในจิตเพราะอานาตของสติปัญญาเป็นแล้วจะมีสติปัญญาจะมีความขยันหมั่นเพียรไปเองเรื่องความเพียรไม่ต้องบอกหมุนไปตามกันนั่นแหละเนี่ยร่างกายอยู่ที่ตรงนี้การแก่ศีลไม่ได้แก่อยู่สถานที่นู่นมันอยู่สถานที่นี้เออแต่อยู่ที่สถานที่จิตถ้าว่าสถานที่ก็คือจิตนี่แหละนี่แหละนี่แหละอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่น ขอให้ทุกท่านฟังอย่างถึงใจไปปฏิบัติแก้กิเลสของตนอย่างถึงใจให้เห็นว่ากิเลสนี้คือเป็นภัยอย่างยิ่งทั้งนับหัวใจเราจะพาให้เกิดภพเกิดชาติเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในความทุกข์มากน้อยล้วนแลตั้งแต่ไปจากกิเลสทั้งนั้นไม่ไปอยากที่อื่นเลยการแก้กิเลสการเห็นเห็นกิเลสเป็นภัยจึงทําให้จิตใจมีความพอใจมีความอาทานที่จะแก้กิเลสโดยลําดับผู้ใดที่ได้ เป็นความจะรู้ใจเข้าใจว่ากิเลสเป็นค่าติดตนแล้วจะมีทางต่อสู้กันถ้าถึงกิเลสเป็นตนตนเป็นกิเลสถึงกิเลสเป็นนารารกิเลสแล้วกิเลสทั้งหลายสภาคนจบแล้วเราก็จมไปด้วยกับกิเลสหาวันพื้นภูตัวเองขึ้นมาไม่ได้เลยอ้าวก็พูดต่างพูดไปก็รู้จักหน่อยให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถึงใจในส่วนดาบก็ได้เคยอธิบายให้ฟังแล้วในเบื้องต้นเหมือนกันนี้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 แล้วนําไปประพฤติปฏิบัตินี่รับผลรับประโยชน์จะบวชมาเวลามากน้อยในขณะที่เราบวชมิให้ทุ่มเวลาลงเพื่อความภาคเพียรอย่าให้เสียผลเสียประโยชน์อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเราเคยคิดมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะเกิดโทษทางจิตใจให้มีความกังวลและหมองต่อจิตใจเพราะฉะนั้นไม่เป็นอย่างอื่นให้ทราบทั้งมันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยและเห็นโทษของมันอย่าสนใจไปคิดเวลานี้เราเป็นลูกสถาคคตจะเป็นอยู่กี่วันกี่เดือนก็ตาม ให้ทำหน้าที่ของกรมเต็มภูมิอย่าได้ลดหน้าพระพุทธเจ้าทรงอ่าท่านเสด็จออกบวชไม่มีใครตามส่งตามเสียไม่มีญาติมีโยมไม่มีอุปถัมภ์ประถาตามพระพุทธเจ้าเลยสละออกจากความเป็นกษัตริย์ไปสู่ความเป็นคนขอทานใครจะลำบากหนํามืนกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความลำบากพระพุทธเจ้าทรงเผชิญมาแล้วก่อนที่จะทราบรู้ปรากฏว่าสนุกทรงสลบสลายถึง 3 ครั้งว่านั้น ถ้าไม่ฟื้นก็ตายนี่คือความทุกข์มากถึงขั้นสลบนั่นเองถึงสลบถ้ายิ่งกว่านั้นก็ถึงขั้นตายนี่ลําบากมั้ยพุทธเจ้าผู้ทรงบําเพ็ญมาก่อนอันเป็นที่เป็นแนวหน้าของพวกเราเราจะมีแต่ความอ่อนแอช่วงหนาวเรานอนทึมอยู่อย่างนั้นเป็นได้เลยจิตตถาคตมันเป็นไปได้เลยก็ให้พิจารณาอะไรจะอัศจรรย์เท่าธรรมในแดนโลกธาตุนี้ไม่มี จิตจะเคยมุกมุ่นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดก็ตามเมื่อทําได้ฉายแสงเข้าไปถึงใจแล้วจะปล่อยวางโดยลําดับตําดับไม่ว่าอันใดจะวิเศษมีโสในความรู้สึกมาตั้งแต่ก่อนก็ตามจะปล่อยวางประเดิมหนักจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีคุณค่าเหมือนกับธรรมชาติที่อันตะสุดซึ่งตัวนั้นปรากฏขึ้นภายในใจไม่อย่างนั้นท่านปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ถ้าสิ่งนี้ไม่เหนือกว่าจะปล่อยไปทําไมเช่นนั้นเราเดินไปเจอตะกั่วแล้วก็ว่าเป็นของดีพอไปเจอเงิน อ่าก็เป็นของดีทิ้งตะกรุบตะกรั่วไปไปเจอทองคําผู้อีกเจอเพชรเจอทอยก็ไปอีกยิ่งปล่อยไปอีกบอยเพิ่มหนักๆนั่นเพื่อเก็บของดีเอาของดีของที่ราคาต่ํากว่านั้นก็ทิ้งๆๆอันนี้ก็เหมือนกันโลกามิตรทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาต่ํานอกนั้นก็เป็นโทษอีกด้วยเมื่อทําได้แท้ก็ถึงใจมากน้อยเพียงใดควรจะทะนะ รสชาติความแปลกปรากฏความเหมือนกันควรจะชนะโลกามิตรสิ่งใดได้ก็ย่อมชนะย่อมปล่อยกันไปปล่อยกันไปวางนั้นไปจนกระทั่งปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเพราะเห็นธรรมอันประเสริฐไม่มีสิ่งใดทั้งหมู่เหมือนแล้วในโลกนี้นะแล้วปล่อยไว้ได้ดูสิ้นเชิงบุญญาบาปปะมิณะบุคคลกระทั่งบุญก็อย่างนั้นบาปมันอย่าว่าตนะบาปได้แล้วนี่บุญก็อย่างนั้นเรียกว่าปุญญะตาปะปะมิณะบุคคลผู้มีบุญและบาปอันนั้นเสียได้แล้วนะ บุญก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้ถึงที่แกเกษมเมื่อถึงที่แกเกษมแล้วบุญซึ่งเป็นส่วนสมุทรก็ปล่อยวางกันโอโดยหลักธรรมชาติไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเหลือแต่ความรู้สึกล้วนล้วนและไม่ติดด้วยรู้เท่าตัดขาดทั้งอดีตอนาคตรู้เท่าตัดขาดทั้งปัจจุบันไม่ยึดมั่นในสิ่งใดเลยแต่ว่าพระอรหันต์ท่านไม่ยึดถือสิ่งใดเลยก็ไม่ผิดแต่ท่านก็ไม่ได้ปราศจากที่พึ่งนะเมื่อถึงแดนนั้น ความพ้นจากสมุทัยถึงทั้งเรียนในเกเสมเต็มภูมิแล้วพ้นวิสัยของสมุทัยแล้วไม่ได้ยึดอะไรทั้งนั้นขอตัวคือข้อการประพฤติปฏิบัติขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจได้พยายามเทศน์สอนมาโดยลําดับลําดับขอให้เห็นใจผู้แสดงด้วยการรับทานเนี่ยจํานวนมากน้อยก็ได้พิจารณาเต็มหัวใจแล้วถึงอย่างนั้นขนาดเท่าที่เป็นมันนี้ ถ้าเลยกว่านี้ก็ต้องแสดงผลให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนถ้าเชื่อความคิดเคยคิดอันใดไว้แล้วเป็นความถูกต้องเสมอไม่ใช่คุ่ยถ้ามากก็เผอเรลวนวนเดียวเหลียวหลายๆอืมแล้วก็กอบความมุ่นวายให้ส่วนที่ดีเสียไปด้วยนี่ไม่เพียงแต่เหลวไหลโดยลําพังตนเองยังเป็นการลบหูลบตาลบติดร่วมใจติดขวางเพื่อนฝูงไปอีกนะเงินของดีเมื่อไหร่ ทั้งนั้นทุกๆองค์ที่มาบวชนี้ไม่ว่าจะมาจากชนชั้นใดชาติชั้นวรรณะใดไม่สําคัญยิ่งกว่าความเป็นพระอภิบัติให้ตรงแนวตามหน้าที่ของพระนี้เป็นหลักแห่งพระอันที่อันถูกต้องซึ่งจะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกได้ถ้าปิดจากร่องรอยนี้แล้วเป็นเรื่องของโลกของฐานหาประมาณไม่ได้นั่นแลจะทําการปิดขวางต่อกันหาความสุขความสบายไม่ได้เลยนานๆจากหน้าก็แตก ถ้าเอาโลกเข้ามาแท้เข้ามาแฝงพระพุทธเจ้าจึงไม่มีเรื่องธาตุทั้งมันนะผู้ใดมาบวชแล้วก็ทรงแสดงเต็มภูมิของพระองค์ผู้นั้นให้ผู้นั้นปฏิบัติเต็มภูมิของภาคของสมณะซึ่งเป็นศาสกยะบุตรพุทธทกินรัตย์ความพระพุทธเจ้าไม่ให้ลดละถามว่าอมุจจามีกี่ประเภทมีทุกธาตุทั้งมันนะ มาฝึกปฏิบัติพระผู้ปฏิบัติผู้ใดออกมาขึ้นเป็นพระชายามหากษัตริย์เสร็จออกมาบวชแล้วก็มาเป็นคนขอทานมาเป็นสมณะประเภทเดียวกันทําหน้าที่การงานโดยไม่ถือเนื้อถือตัวว่าเคยมียศมีศักดิ์มาขนาดไหนอันนั้นมันสมมุติกันเฉยๆยศอย่างนั้นยศอย่างนี้รู้หัวใจนี่หัวใจนี้กิเลสมันไม่ได้ว่ายศไหนน่ะมันเหยียบได้ทั้งนั้นให้แก้ตัวมันเหยียบมันเป็นข้าสึกต่อเรานี้ด้วยธรรมเราจะมีความ เป็นอิถนะนี้เราจะมียศแห่งธรรมประดับใจยศแห่งธรรมประดับใจนี้เหนือยศอะไรทั้งหมดแล้วกินไม่หมดด้วยทานแล้วก็หายหมองทุกสิ่งทุกอย่างอืมจึงขอให้ท่ากันพระพุทธปฏิบัติอย่านอนไกลเนาะด้วยเอาล่ะท่านปัญญาเป็นอันนี้ให้อธิบายเหมือนกันครับ